ไม่ถ้าเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าใจปัญหาอย่างนี้แล้วหนูไม่หนูไม่ใช้ปัญญาเพราะทั้งนั้นหนูจะอยู่ด้วยความลำบากเลยเนะเพียงหนูบอกว่าทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยหรือว่าความต้องการของหนูเป็นตัวเข้าไปทุกเรื่องเลยหนูอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นตลอดทั้งทั้งที่มันก็เป็นทั้งมันอยู่อย่างเนี้ย เมื่อสักครู่ที่พระท่า น, นพูดเนี่ยไอ้คาว่ายอมรับคาว่ายอมรับมันไม่ใช่ยอมจำนวนนะคือเรารู้แล้วว่ามันมันมันได้แค่ไหนอย่างไราเช่นเราจะต้องทำเราต้องตื่นตีสามการตื่นตีสามมันไม่ใช่ปัญหาจริงจริงมันไม่ใช่ปัญหาของหนูนะเนี่ยแต่มันเป็นปัญหาหนูคิดว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันอาเปียบหนู มองปัญหามันอยู่ที่บุคคลนี่คือปัญหาคือหนูมองว่าเนี่ยหนูต้องทําเต็มที่ขนาดเนี้ยทั้งๆที่ของเนี่ยมันเป็นของสองเจ้าของมันไม่ใช่เจ้าของเดียวเนี่ยหดูใจตรงนั้นเขาเข้าใจได้ตรงนี้ประเด็นคืออย่างนี้เออถ้าถ้ามันเป็นถ้าถ้ามันยังทําเรื่องรวดเร็วไม่ได้เอ๋ประเด็นแบบนี้นะ ก็ต้องคุยกันอย่คุยกันที้เลยเนเพออรเราควรจะใช้เวลาประมาณเท่านี้นเช่นประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกตัวได้เนี่ยใช่ีได้จะไม่ผลรเา่รความก็ไม่ปั่นรบางเสร็จแล้วเสร็จผมจะแยกโดยที่ม่สนใจาคอ่าบ็ได้หราคือแต่ทีนี้พอเรามองอย่างนี้เบียเสร็จพวกนั้นคือการตั้งจุดหมายเป้าหมายไว้ ปีสมมุตินะแต่เราเนี่ยต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่นั่งท่องว่าหนึ่งปีต้องมีวิธีการด้วยฌานฉลาดใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยใจเราก็ไม่ทุกข์กับมันเนยเราก็ทาแล้วก็ดูสถานการณ์ถ้าฉลาดและมีความสามารถมีศักยภาพ น, น้อยกว่าปีก็ได้หรือมันอาจจะมากกว่า น, นั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เพียงว่าเราจัดการในทุกวัน เราจัดการกับปัญหาทุกวันแก้ปัญหาทุกวันเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับมันได้ทุกวันโดยจะนิดที่ใจเรา ใ, ใจเราไม่เป็นทุกข์กับมันเหตุ ผ, ผลนี้ไม่เป็นทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องมนุษย์มันจัดการได้ทุกเรื่องต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าฉลาดมนุษย์สามารถจะทําอะไรก็ได้เดินออกวันนี้มันก็ได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องการออกจากงานหรือไม่ออกจากงานแต่นเรื่องใจเราติดล็อก เราต้องปลดตรงนี้ให้ได้ก่อนปลดใจที่มันติดล็อกมนวนหลูบอย่างนี้หนูลองคิดดูว่าจริงๆแล้วน่ะทั้งๆไม่ได้ทํางานหนูกระทุกกับมันได้เพราะใจมันติดหลงยังให้อยู่ตรงนี้หนูยังทุกข์กับมันได้เลยคิดเข้าหามันทุกมันก็ทุกข์คิดข้อาหาพบมันก็ทุกข์แต่มันต้องปลดตรงเนี้ยปลดปุบขึ้นมา เ, นเสร็จสร็ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจัดการอะไรมันได้หมดเละเพียงแต่ว่าเรามีวิธีแค่ไหนอย่างไรเราจะจัดการแบบไหนฉะนี้ที่ว่า ให้มันไม่ให้มันไม่บอดช้ำเราก็ต้องเข้าใจว่าความเป็นแม่เป็นลูกความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเปนเนี่ยมันก็มีสายยึดโยงอยู่เข้าใจใช่ไหมคอหนูแบบอยากทะเลื้ยงที่จะบแบบตัดออกมาจากครอบครัวเขาเพราะตรงนี้หนูหนูต้องคิดอย่างนี้ด้วยวนะ่าพอคิดไปคิดมาเนี่ยต้องระวังปัญหาจะรามนะคื อ, อยังไงรู้ไหมอ่าฉันเจอคนคนหนึ่ง ไอ้กรณีแบบนี้แหละไปไปมามันก็เลยบอกว่าเขาอยู่กับคุณไม่ได้มันก็จะไปถึงจุดนั้นข้าใหญ่น้องเพราะว่าคุณไม่เด็ดขาดคุณไม่ปกป้องฉันคุณไม่เด็ดขาดมันไปไปมามันเลยกลายเป็นปัญหาว่าซึ่งมันเรื่องงานเนี่ยนะข้าในข้ามันเลยกระทบสายสัมพันธ์เข้าใหญ่ยังที่ที่ชันมองปัญหาเนี่ยบางคนมันมันจากปัญหางาน สู่ปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลขึ้นมามันกลายเป็นกระทบกันขึ้นมาไอความเชื่อมั่นกันมันก็ค่อยๆหดลงหมดลงไอตรงเนี้ยเข้าใจไหมไอตรงนี้เราต้องรักษาว่าคือคือบางอย่างนีน่ด้วยความที่บางทีเราอยากจะชึบออกมาเลยเนี่ยแต่บางทีมันสมมตินะมันจริงจรมันออกวันนี้มันก็ได้แต่ออกเสร็จแล้วเนี่ย สถานภาพครอบครัวก็ไม่ดีเลยจริงๆก็ไม่ควรทํำใช่ไหมในตรงนั้นเนี่ยคือเขาพ่อแม่จะเป็นยังไงในต่างก็ก็เลือกเอาพ่อแม่ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่าในเมื่อเลือกที่จะเดินทางร่วมกันแล้วก็ต้องกล้าที่จะฝากการอุปสรรคร่วมนั้นเขาจยังไม่หนุคือเมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคร่วมร่วมกันเนี่ยก็ต้องกล้าว่าก็ต้องไม่ทิ้งกันไอ้ที่บอกว่า มีทุก่ว่งต้านเนมีสุข่วมเสิ็จไอ้ตัวนี้มันเป็นความเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นมิตที่ดีต่ อ, อกันเขาเขามีตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราบอกว่ามันทำได้เท่านั้นแหละทีอทำแบบชิบมันจะทำได้แต่ว่าทำเสร็จแล้วมันจะไม่มองกันเลยหรือมันจะไม่มองหน้ากันเลยใช่ไหมมนุษย์มันแปลกอย่างที่หนู เนะชื่อไหมว่าทั้งๆ ท, ที่ทำโดยอารมอรุอยแล้วในที่สุดจริงๆตัดออกมาจริงๆแล้วเผื่อบางทียากไม่พบเลยล้วมันก็อยู่กั น, นยอย่างเหมือนญาติาบางคนโกงกันเร่นเลยนะแล้วหต่ข้าแล้วข้ า, ก, าก็ตัดก็ตัดไปแต่ก็อยู่กันนั้นมัวนึกสุข มีเงินแต่ยอดนี่ไม่มีเลยอยู่อย่างไร ย, ยากหรือว่าชีวิตมันสุขไหมันสนู <c oughs> ไหนูไม่ต้องเคยหนูว่าไม่ต้องพึ่งพาใครมันไม่ใช่เรื่องพึ่งพาแต่มันเป็นเรื่องว่าอต้อนไม้ไม่มีใบเนี่ยมันมันให้ความร่มเย็นไม่ได้ฉันใดคนไม่มียาดมันไปกิดนะเนี่ยยอดมันสํามันก็สําคัญนะหนูเดี๋ยว ญาติมันก็สำคัญนะอยากอยู่ในวงเรียนที่แบบทะเลาะกันทุกวันใช้คำพูดดุแรงกันทุกวันหรื อ, อะไรที่มันเป็นน้าลงทุกวันเราอต้องไปเจอสถานการณ์นั้นนะคะคือเราอาจจะอาจจะไม่เกิเรืงปกติแต่สำหรับเรารู้กว่ามันพูดดีๆกันก็นได้คใช้เหตุผลกันก็ได้ไม่ใช่สต์อารมณ์ใส่กันอย่างเดียวค่ะ พี่สาตวน้องน้องสัตวพี่พ่อ ส, สัตว์แม่สาตว์ูปกึ่นคือแล้วเรต้องไปอยู่ในสถานการณ์ในทางนี้คือเราเติบโตมาตัต้งแต่เด็กจนชีวิตช่วงเรียนช่วงวัยทางานก็แล้วแต่เราอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเคยอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าตั้งหลักไว้ว่าต้องออกแน่นอนถ้าตั้งหลักไว้มันก็มันก็เป็นสัญญาที่เราตั้งกันไว้ในช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะต้องอดทนกันนะ ถ้าหมดทกันแล้วก็ต้องต้องต้องให้กําลังใจซึ่งทายากันฝ่ายสามีก็ให้กําลังใจบริยาบริยญาให้กําลังใจฝ่าเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจสึ่งทายากรอบโยนต์ว่าน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นี่หนูก็รู้ว่ามันเข้าใจหมดเลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องออกจากที่นี่แคนี้ได้แล้วก็จะต้องรีบหาวิธีการออกและออกให้มันดูคือคือให้มันมันเก็บ จะใหมันเจ็บน้อยที่สุดมันเจ็บน้อยที่สุดและเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเราพออยู่ห่างแล้วในชีวิตมันจะเกือ้อหนุจะได้ดีกว่าอยู่ใกล้แล้วก็คุยกันอย่างมันเกือ้อหนุกันได้ไปม า, าสุงแต่ต้องออกแน่นอนลักษณะแบบนี้ยนี่ก็จะมีความหวงังเรียกตั้งเป้าหมายไว้ในขณะที่ตั้งเป้าหมายก็เริ่มและระดมวางวิธีการวางอย่างเดียววาง เราเด็กหนึ mm ่งเราถ้าอย่างเงี้ยที่สุดจริงมันจะไปถึงจุดหมายไปทํานใจแต่ถ้าหากว่าเราเอ่อเอาใจเข้าไปรับปัญหาตลอดมือมือก็ไม่ได้เรีนไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องการฝึกหรือเอาละหนึ่งปีสองปีเนี่ยดีกว่าเนี่ยเราจะฝึกเพราะถึงแม้เราไปทํำเองเราก็ต้องไปเจออย่างเงี้ยเชื่อไหมนี่เสือป่าเที่เจอลูกน้องเจอคนร่วมงานเจอคนเดิวเจออะไรมันก็เจอเจอเยอะ บางทีคนคุยกันที่มันเป็นญาติกันคุยกันจริงจริงยังจังเนี่ยแต่มันไม่ฆ่ากันมันไมโกงกันสะบ้านแหลกอะไรเลยนะแต่มันญาติเนี่แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่มันพูดดีๆแต่มันโกงกันโคยังเห็นว่ามันคุยเพาะนี่แหละคุยเพาะนี่แหละแต่มันมันมันรับหลังเรามันเล่นเรายังไรก็ได้ติดพวกติดตารางก็ได้อะไรเงี้ยนะเออเราก็ต้องมองมุมนี้บ้างว่ามันไม่ใช่ว่า คุยไม่เพาะแล้วเห็นใจพ่วงใจลึกๆเขาจะไม่หวังดีต่อไปได้วันนี้ด่ากันว่ากันนี่แหละแต่ลึกๆมันคือรักกันแต่มันพูดเพาะกันไม่เป็นเคยเห็นไหมคนบางคนพูดเพาะไม่เป็นที่เจอเนี่ยสองสามีภรรยามันพูดหยาบหยาบต่อกันนี่นะแล้วก็มันไม่เคยบอกรักเมียเลยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันอยู่กันมาสิบกว่าปีใช่ไหมมีอยู่วันนึ่ง ฝ่ายภรรยากนะ็บอกว่าถามนะ่อยอยากถามเรื่องเรื่องในใจเพื่อนว่าว่าว่ารักฉันไหมฝ่ายผู้ชายมันมันมันต้องหงุดหงิดนั่นพูดอนะไรนั่นขออภนะัยหมดอีกฝ่ายแต่ครูเป็รักมันคูเป็นคนอยู่กับมันมาเพืถึงทุกวันนี้แต่ทำทำแค่นี้ไอภรรยาก็โดดก่อนสามีเขาชื่นใจมาก คำด่าว่าควายเนี่ยกูมไม่รักกูกูจะทนอยู่มึงมาเย็นทุกวันนี่<ม>เห็นไหมหรือว่าคำฟอไหมคำมนี้ไม่ฟ้อค่ะแาว่า ก, ก็สามารถที่จะรับรู้ได้การกระทบมากกว่าคำพูดนะคะเออเหมืนพูดเป็นเหมือนญ า, าติบตระกูลบางตระกูลเนี่ยพูดเกิเจะด่ากันว่ากันทะเลาะกันนิ แต่ลึกๆเนีมันดันลักกันเวลาป่วยอะไรขึ้นมาเยมันก็ไปด่ากนอย่ผู้บอกมึงแล้วทำไมมึงไม่ดูตัวเองไอ้มึงไม่อยากจะดูแลมึงแล้วแต่ก็ไปจ่ายค่าหมอเฉะนั้นหนูอย่าไปหนูอย่าไปกังวลเรื่องภาษามากเลนภาษาสวยหรูแต่ว่าความจริงใจน ตรงนี้หนึ่งย่อมรักนะครับหรื้ก็ไม่เป็นทุกข์กันแล้วสักวันเราจะเดินต่อเดลนต่อเราจะสร้างสังคมใหม่ครอบครัวใหม่เราจะไม่สร้างแบบนี้แค่เนี้ยหแค่นี้แต่ยังไม่รังเกียจมันมีเต็มไปหมดสหรับสังคมแบบนี้ก็ไม่ได้รังเกียจนะคะล้ก็ไม่อยากให้เขาเขาต่แตกแยกกับพ่อแม่ก็เข้าใจเข้าใจก็เลยเลือกที่เดวเข้าใจใช่ไมหนูหนูบอกว่าไม่อยาก ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างมันเป็นอย่างนี้แต่ท่านวิฉลาดจัดการหนูสามารถสร้างสิ่ง้องรอบแบบนีได้มันสร้างได้เนียแต่ว่าหนูต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีหนูทำให้เต็มที่ทําให้เต็มที่มันอาจจะยังมีมนุษอื่นอีกที่มันสามารถทําได้ นั่นหนูมีศักยภาพจริงนหนูกับกายเว็นตัวเชื่อมในบ้านนั้นทั้งหมดยังได้เลยแต่เพราะเออศักยภาพเรามันไม่ถึงนั่นเองจริงๆมันมีจริงๆบางคนเนี่ยหรือว่าสมมตนินะถ้ามีคนที่มีศักยภาพจริงๆเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อ ม, อนะอมอนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นน่ยจะสมบหมดไนหะมบนะสบแค่พอเพิพิดด่มล้อแต่สมมตินะพูดอย่างเรื่องที่เป็นไปยากยากเน่ย มอเตอร์หัวครอบัวนี้ทะเลาะบอกแง่กันถ้ามีเชื้อพระวงศ์สักคนมึงไปนั่งบริหารงานมึงเชื่อไหมเขาเกลียดใจกว่าเลยนะผมไม่หวแลเนี่ยโนี่ี่ยแค่แค่แค่จุดเดียนี้เราก็จะเห็นว่าศักยภาพของมนุษอ์เนี่ยมันมันทําได้มันเพียงแต่ว่าหนูลองลองสร้างตนเองขึ้นมาดิ จนหนูเป็นคนมีศักยภาพมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วศักยภาพความสา ม, มารถเติ่นขึ้นมาลองทํำดูดิคือจนองค์กรนั้นมันขาดหนูไว้ได้หนูเป็นตัวจับคืนแม่เหล็กที่สําคัญที่สุดหนูชี่ใครก็ได้บอกพ่อเงี่ยเนี่เนี่ยพ่อพ่อพูดจนเงี้ยเงี้ยหาเงี้ขาดไปหน้าแสเลยนะวันทนี่สุดอูก็ตกใจเลยนะ ถ้าพ่อเงียบเดี๋ยวหนจัดการเองแล้วจัดการพวกมันได้มบ า, างทีมีห้าแสนต้นสมมุติอย่างงี้นะหนูลองลองลอ ง, ลองปั่นตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นคนมีศักยภาพอีกทีหนึ่งนะหนูว่ารู้กับการเป็นคนที่คุมอุปกรณ์ได้มองออกไหมจริงจริงมันแทนที่หนูจะไปหนูฝึกตัวเองให้มีศักยภาพขึ้นมาเลย ให้มันเด่นขึ้นทุกด้านให้มีศักยภาพทุกด้านช่นนี้ที่จะหนูเดินออกตรงนั้นน่ะล้มเลยก็ยังได้เขาเร่องเก่งจริงๆมองเห็นไหมเออเนี่ยมันทําได้แทนที่หนูจะเป็นวัวกังวลเรื่องอื่นเรื่องคนไั้เป็นอยังไงสร้างตัวเองขึ้นมาเลยตรงไหนที่มันต้อยทําเป็นจุดเด่นขึ้นอันไหนที่มันเด่นไม่มากให้มันมากที่สุดให้ศักยภาพมันมากที่สุดด้านเชื่อมประสานด้านอะไรต่า ประสิทธิภาพเต็มที่แม้ไม่ต้องไปโฟกัสอยู่แค่น้องน้องมาทํางานแค่นั้นแค่ไม่สนใจเราสามารถมีคนแทนทําได้ทั้งหมดและยังสามารถให้สัดส่วนเท่ากันได้เชื่อไหมไอเจ้านี่มันจะเกงใจหนูอย่างมากสุดๆคือมันอ่านขาดนะหนูทำแบบให้อ่านขาดหมดเลยว่าจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องมาทำํำฉันก็แบ่งให้เน่ย เข้าใจไหมโดยชนิดที่ฉันค่าให้คุณด้วยและฉันไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกับคุณด้วยฉันชื่นใจที่ได้ให้คุณด้วยไม่พอที่ังเติมให้ได้ที่ศักยภาพมันขนาดนั้นคิดว่าถ้าเจอคนแบบนี้ขึ้นมาก็จะทํำยัำยงไงเขาอุ๊ยพี่จะให้คนนี้ไม่ธรรมดาว่าสักยภาพมันขนาดนี้เลยน่อายกระจายเลยขอคืนไปซะมองมองออกไหม แทนที่หนูจะไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้หนูกับสร้างตัวเอง mm. อ่ะเขาเรียกว่าพัฒนาไอเหมือนหุ่นยนต์สมัยก่อนอนะได้เห็นไหมอตัวหุ่นยนต์ตัวนี้มันทํางานได้ไม่ค่อยดีนะต่อมามันโอ้โหมันคิดคิดคิ ด, คดมันจนสามารถสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาจนมันมีศักยภาพมากกว่ามนุษย์เนี่ยนะหลายๆด้านเลยนะแทนที่จะต้องใช้พึ่งหุ่นยนต์ตัวนั้นนะ คุณดินตนี้ไอ้ตัวเดียวมันเสร็จทำได้ตั้งหลายหลายตัวอย่างหนูก็ฝึกตัวเองแน่ๆไม่ใช่เรื่องตื่นแต่เช้าหรอกแต่มันเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องศักยภาพเรื่องข้อเรื่องความรู้เรื่องวิธีการจัดการอคุณจะมาสม่งต้งเห็นมันไม่แค่เป็นตรงนั้นแล้วสามารถมีรุกน้องทําแทนมันก็ได้จนรู้สึกว่าไม่มีปัญหาห้าสิบห้าสิบได้ แต่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ให้ได้มันสร้างได้ขนาดนั้นนะัหนูก็ทําได้แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแก่แต่เราเราเราทําแบบเนี้ยมันเป็นาการว่าให้เขาได้รู้ว่านี่คือเราหนูทําใจไม่ใช่ใจเล็กๆหนึ่งคิดกว้างมองไกลแล้วฝ่ายสูงใช่ไหมใจมันจะโล่งใจมันจะโปรใจมันจะเป็นอิสระ อย่าไปคิดแคบมองใกล้แล้วไฟต่ำใช่ไหมอันนี้มันยิ่งทุกยิ่งกุ้มดีอย่าเนี้ยจิตมันแคบลงแคบลงนะครับนะครับมันก็มองแค่โฟกัสแค่อีกเนี้ยเอาเปรียบนี้เอาเปียกทำแค่ เ, เ น, นี้ยเราต้องเตือนที่สามเราต้องจับดูเราแยอกอยู่แล้วสุขภาพเราก็แยกแยกแยกยกหนูอาจจะไม่ต้องเตือนที่สามก็ได้แต่หนูวิธีการจัดการก็คือมีวิธีการจัดการอีกมากมายหนูหนูอยู่ในรายละเอียดหนูย่อมรู้อยู่นะ ที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูเสียเปรียบแต่หนูได้ไงหนูได้ทั้งทั้งความเชื่อมัน่นได้ทั้งความอาหางเจ้าก้าได้ทั้งศักยภาพได้ทั้งความสามารถคือคือคนอย่างหนูไปอยู่ที่ไหนมันกลายเป็นมันเป็นเหมือนเพชรไปเลยอ่ะมันมีค่าในตัวมันเองหนูทำทำ ม, มีค่าเลย แต่คนที่มันไม่ไม่ฝุดฝุ่นไม่พัฒนาตัวเองมันทำร้ายตัวเองนะหนูนะจริงๆเขาทำร้ายตัวเองแต่เราต่างหากที่เราไม่ได้ทำร้ายตัวเองเรา ส, งส่งเสริมตัวเองเรารักตัวเองเราต้องการพัฒนาตัวเองทุกด้านทุกด้านเลยนะหนูนะหนูจะเป็นคนที่มีพัฒนาการทุกด้านแต่เพียงว่าหนูขาดอย่างเดียวคือหนูไปทุกกับมันทั้งๆ ท, ที่หนูได้ไนะหนูได้ทุกอย่างเลยนะได้ความเชื่อมั่นมากมากว่าคนอื่น ได้ความอดหังกล้ามากกว่าคนอื่นได้สติมากกว่าคนอื่นได้สมาธิได้ความอดทนมากกว่าคนอื่นและได้ปัญญามากกว่าคนอื่น <c oughs> เพราะหนูต้องคิดต้องมีใจยากแยงไอ้ปัญญาไม่คิดมันก็ยิ่งหายไปความเพียรไม่ใช้มันก็การคนเียบ ช, ช้ า, าความเชื่อมั่นไม่ฝึกออกมามันก็การคนขาดความเชื่อมั่นตัวเองใช่ไหมจริงจริงมันได้แต่หนูกลับไม่เอาประโยชน์จากการได้สิ่งเหล่านี้ตั้งหากมองเห็นไหม จริงๆแล้วมันได้แล้วหนูเนี่ยวันเวลาหนึ่งวันหนึ่งหนูเดินออกไปทำที่ไหนศรกยภาพมันเต็มที่แล้วเพราะเราใช้ เ, เต็มที่อยู่แล้วลเราไม่ไดหยุดแค่นั้นนะยยิ่งต้องโอฝึกฝพัฒนาตนเองทุกด้านเลยรู้ว่าคนมีค่าไหมครับทักษะความรู้ความสามารถศรกยภาพมันยิ่งยิ่ ง, งมันยิ่งเห็นปัญหา มันยิ่งแกล้วกล้ามากปัญหา ม, มันก็อยู่กลายเป็นเวที เ, เวทีทดสอบมันก็ผ่านมันได้ผ่านเจอบททดสอบความยิ่งอยู่แล้วบอกมาเฮอรมึงไม่มาก็ได้ไม่ต้องมาส่งก็ได้น้ําแข็งนีน่เราสามารถให้คนอื่นส่งก็ได้แต่ฉันแบ่งได้เลยล้วไม่ประชดเลยนะโอเคแบ่งคุยกับใครคุยแล้วโอ้ปัญหาน้องก็ไม่ถนะัด น้องเขาไม่มีทักษะน้องเขาไม่ฝุกตัวไม่พัฒนาตัวเองคืาาอพี่จัดการให้เสร็จโอเคถึงปีถึงเดือนจ่ายชัไยไดไห่เงี้ยเราจะให้งไงหนูต้องมีความสุขสิได้ให้เข า, านี่เรียกเสียสลากแต่หนูไป ม, มองว่าเสียเปรียบไ ม, ไม่ทำไม่ว่าแต่หนูไม่อยากรา นี่หนูไปคิดนิอย่าไปตั้งงี้อย่างนี้นสิคือว่าทนี้เขาจะรู้ดีว่าอะไรเมอปัญหาอะไรจากหนุ่ชายของบ้านอะไรกันค่ะก็ถือว่าต้องคอยตามแก้มันก็มันก็เหนื่อยท้องอ่เรื่อยๆครัหนูหนูเห็นปัญหาหนูต้องชื่นใจสิเพราะถามว่าปัญหามันมาเพื่ออะไรหนูรู้ไหมมันมาด้วยอะไรรู้ไหมมันมาด้วยบุญของหนูนะเข้าใจปะ ถ้าไม่ไ ม, ไม่มีถ้าไม่มีปัญหาขันติมันจะเกิดตรงไหนอ่ะหนอว่าขันติมันเกิดจากปัญหาหรือเกิดจากไม่มีปัญหามันเกิดจากอะไรเ <formats> ออเกิดจากปัญหาฉะนั้นปัญหาเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีดีไหมเป็นเรื่องที่ดีอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดประชด น, นะเป็นเรื่องสถุก ต, ต้อมยิงๆนะนี่ แสดงว่าเราเนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยพวกนี้อุปสรรคพวกนี้มันมา้วยบุหูวหนนะแต่เพียงว่าหนูต้อนรับมันไม่หนูไปเอาใจต้อนรับมันแล้ว น, นะเก๋อฉันว่าฉันอดทนมาได้ทุกวันเนี่ยฉันอยู่กับปัญหาเนี่ยแล้วรู้สึกฉันชอบมันเนี่ย ทำไมฉันชอบมันเลยถ้าหนูไม่เจอปัญหาหนูจะไม่แข็งกแบับ่หนูจะไม่เค้มแหนูจ ะ, ปะเป็นการคนที่ใช้ไม่ได้ไม่เลยไม่ใช้ไม่ได้ธรรมดานะใช้ไม่ได้รดนะูร้แต่ถ้าหนูเห็นปัญหาแล้วหนูเป็นแบบนี้เดินต่อไปหนูกับบ้าแล้วก็เป็นคนไม่มีค่าอย่างแล้วหนูจะอยู่ยังไงอยู่อย่างคนเครียดกรุ่มทุก ยุ่งเลยอย่างนี้ใจมันก็ป่วยนั้นตรงนี้วิธีการหนูอมองเห็นไหมว่าเจ อ, อปัญหาดีนะเราก็แก่ยิ่งมีทุกวันยิ่งดีทดสอบถ้าหนูไปทำเองยหนูจะเจอมากกว่านี้กแล้ว็นไหมถ้าเจอมากกว่านี้หนูเป็นไง หนูก็ไม่อยากจะทำอีกอยากเปนหนีห น, หนูใช้การแก้ปัญหาด้วยการหนีหนูจะหนีไปตรงไหนหนูรู้ไหมว่าหนูต่อให้หนูหนีไปตรงไหนปัญหาเหล่านี้มันไม่เคยหยุดตัวมันมันจะตามเล่นงานหนูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆแล้วหนูจะทำยังไงอต้องตอบห น, หนูจะทำยังไง หนูบอกว่าย้ายหรือแยกตัวไปหรือหนูคิดว่าไม่เจอปัญหาเลยเจอเพรเผือหนักกว่านี้ด้วยนั่นหมาทํวามไงต่อหนีไปเรื่อยๆพระอาจารย์กันว่าหนีทั้งชีวิตมันก็ไม่พ้นปัญหาเพราะตัวปัญหาก็คือตัวชีวิตและปัญหามันติดกับชีวิตขอหนูไป เห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันต้องอยู่ด้วยปัญญาจริงๆนะถ้าหนูอยู่ด้วยความรู้สึก้ยแย่เลยโงว่าไงโนกันสองคนทำกย่อให้าอาจารย์าเนช่วยคือขอบ้องเข้าใจองคมีอะ้าง้างหนูเป็นคนเลยแล้วหนูเป็นคนเลยปัญหาไปแล้วคือหนูมีปัญหาที่แตกต่างกัน ก็ปัญหาเดียวกันนี่แหละแต่ว่าของปัญหาหนูอ่ะมันมันมันก็จบแล้วเยยังไม่จบยัไม่จบหนูว่ามันสบายมันมีช่วาสบายใจแล้วมันก็เลยคิดว่าจบไปแล้ว <c oughs> ตอนนั้นอ่ะมันไม่สบายใจก็เลยคิดว่าไม่จบถ้า อ, อาจารย์ต้องทำไม่ไดีรู้สึกสบายใจแล้วจบแล้วไม่ได้ใช่เพราะปัญหาเพราะสบายใจต้องเฉยเฉืเฉยของหนูว่าติเฉย นนมันติดสุกไปแล้วตอนนี้<ช>มันก็เสียอีก<ต>ก็กลัวว่าจะเสียอยู่ค <c oughs> ือตอนนี้ส่สงหนูอ่ะ ส, สบายสบาย แ, แล้วแล้วก็ววทุกอย่างมั น, ม, นมาโดยมาเองเลยอ่ะโดยรม า, มานั่นน่เดี๋ยวมัน น, นอาีค่ะก็คือแบบว่า ไ, ไ, ไปม ง, งการสั่งอะไรใครกอย่างะเป็นแบบแกบี่เราถามอ ว, ว่าทำไมบกถึไม่ยึดติดกับเลยล่ะชัวร์แต่กันทำไมอยูท่าชนะ ่เขาจนให้ที่นไปที่บอกเขาจะพู่เนี่ยจริงๆคือหนูไปที่ไหนที่ไม่มีที่ไม่มีนแล้วก็ปัญหาเขือหนักกว่าที่อยู่หนูก็ต้องไปนั่งร้องไห้เพราะว่าหนูหนูใช้การแก้ปัญหาด้วยการหนีไปปัญหาจริงๆแล้วมันเรื่องของปัญญาที่นอกรู้เหมือนกันจมันเป็นอย่างี้ ฉันถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องน้องมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนอื่นเป็ปัญหาด้านสภาพจิตใจเรามันไมีไม่ไม่แข็งแรงพอห น, นึ่งนหนูก็ทําจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เอาจิตใจที่เข้มแข็งเป็นฐานให้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปวิจัยเยอนะๆมองเห็นไหมเห็นไหมเป็นปัญหาด้านจิตใจนะที่จริงมันควรเอาปัญญาไปรับใช่ไหม แต่หนูเอาเป็นเอาใจเข้าไปรับทุกครั้งเนี่ยหนูได้ความชอบใจก็ไม่ชอบใจตลอดนักเรีดูไหมหนูฟังอย่างนี้พอจะชัดมั้ยชัดยังไงเล่าให้ฟังชัดจริงก็ไม่ให้มีปัญหาที่เข้ามาเป็นสิ่งในข้อด้อย ท่าในชีวิตเราท่านใดทางหนึ่งวอันนี้ก็เยเจอปัญหาหแล้วเราพัฒนาพ่อแม่เราเนี้ให้สามารถมอเห็นปัญห้านเป็นปัญหาต้องให่ยังเหมนกับเรื่องหนึ่งท่าแบบสองใครเจอพ่อแม่ที่ป่วยเป็นอัปปุระเพาะ้าเขาอัตักษณ์ไม่ได้แต่ดิฉันโอ้เงบริการในโอ้โหเบสมีนักจายยังไงะ มันมีเทคโนโลยีัรงหลัวกนี้ชอบโคกอยู่โคก ได้เป็นได้เป็นพ่อคี่นั่นนั่นได้เอาอะไรให้กินด้วยใส่สลอดหรือเปล่าแล้วลืมละค่ะเ้าขาดเต็มที่กับชีวิตหนูชอบอนี้เลยหนูชอบกินของพวกนี้เลยชอบไหมเป็นบางช่วงช่วงไหนที่เข้ากินเด็กหนูไม่กินน้ำหวานเลยกินแต่น้ำเปล่าไม่แช่เย็น แล้วจะช่วยหูเรียนวิทยาศาสตร์มาหนูกินของพวกนี้ขออนุญาตนะคะฝากให้าทังโหล่พี่เอเรียนเรียนก็มาหลับใช้ทังหาเพราะว่าเรียนมาก็เลยรู้ว่าพอกินอนไรเสร็จแจะปีนยาลหรืปิดป่า เยอะๆที่เขจะเล่าฟังเรื่องหนึงก็อย่างนี้เไนแ้วือมียอมคนหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่นาจิ๋มไหนเนี่ยเขาไม่เคยมองว่าเขามองคนอื่นเป็นปัญหาเคยเป็นค่ะมันมองคนอื่นเป็นปัญหาแล้วเขามาเล่าให้พักฟังเนี่ย คทอเขาเห็นปัญหาจริงๆนะแล้วมันก็เป็นปัญหาจริงๆนะแต่จริงเขาสร้างปมปัญหาภายในใจมามากบางครั้งเนี่ยปัญหามันมีแค่ยี่สิบเขาขยายได้ไปถึงสี่สิเขาเลยกลายเป็นคนที่มองปัญหาได้ส่วนเดียวแล้วก็ปรุงแต่งเพิ่มปัญหาไปอีกส่วนหนึ่งในความทุกข์ก็เก็บกดในใจเขาซะแล้วเขากลายเป็นคนแบบเนี้ยมองอะไรเป็นปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาไปหมดเลย แล้วในสภาพใจของเขาก็ติดล็อกเรื่องปัญหาวนเวียนอยู่กับปัญหาค่อยยิงซ้ําเติมทนายกนอกอดรับปัดเบียดกับปัญหายตอลอดเวลาจนในที่สุดจริงเขาไม่สามารถเดินออกจากปัญหาแล้วมาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ไหวเขาออกจากมันไม่ได้เขาเขาาไม่รู้จะไปยังไงเขอยากตายแล้วทําไมเขาอยากมีชีวิตอยู่แล้วมันขนาดนั้นเลยนะ เขาก็อยากมีชีวิตอยู่มันไม่รู้จะมีอยู่ไปทําไมเพราะมันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเห็นไ้ยแทนที่เขาจะไปรับรู้ปัญหาด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วปฏิบัติสิ่งนั้นให้ถูกเขากลับกลายเป็นว่าไปดูดซับเอาปัญหาข้างนอกมาซึมใส่ตัวเองมาอัดใส่กับตัวเองตัวเองหนักเข้าหนักเ้าเนี่ยไปไปมาเขากลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับปัญหาจมอยู่กับปัญหา ไม่สามารถที่จะดับปัญหาละเหตุของปัญหาไนดะ้เพราะเาวิธีการดําเนินวิธีการคิดตวัวการการรับรู้ของเขามันซ้อนเสริมยันการเสียเสียหายอย่างยิ่งไปเรื่อยๆหนูสามารถเอาเรื่องนี้ไปวนคิดได้ทุกเวลาทั้งๆ ท, ที่ปัญหานี้มันก็ดับไปแล้วแต่หนูก็เอาปั่นมาหมุนต่อตลอด แล้วหนูก็คํานวณต่อไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้วันรุ่นี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็หนูก็ปั่นต่อว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ตรงนี้เป็นแต่ปัญหาไปที่อื่นเราจะปัญหาเราจะน้อยลงวิธีคิดอย่างนี้เป็นการคาดคะเนหมดเลยเนี่ยคาดเดาด้วยคาดเดาในสิ่งที่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตอยู่หนูไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยนะเนี่ยแทนที่อยู่จะได้ประโยชน์จากปัญหาตรงนี้กัดไม่ได้เลย ท่าหนูไม่เข้าใจความจริงก็ามจริงท่าหนูไปเข้าใจความจริงอ๋อไอเจ้นี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้เอาแล้วแล้วจะประโยชน์จากไหนท่านนี้ก็อโอเคที่หนูไม่ได้อะไรอย่างจริงๆมันเป็นประโยชน์กับหนูได้วในะแบบเนี้ยหนูมีเวลาฝึกตัวเองหนูจะได้เข้มแข็งเวลาเข้าไปยืนอยู่เป็นบนเป็นเจ้าของจริงๆขึ้นมาก็จะเป็นคนที่ฝึกมาเต็มที่แล้ว ถ้าอย่างนี้คัไม่โอเคไม่ควรไปไม่ควรไปมีกิจการออนแอร์จัดถือ่ออนแอร์กันไม่ควรทำอะไรได้วัซ้ำไปไอ่ออนแอร์กันไปหนูจะเป็นเจ้าของกิจการจริงๆหนูต้องผ่านบททดสอบให้หนักแบบนี้ถึงว่าบททดสอบแค่นี้แล้วหนูยังยังแทบจะรับยังไม่ได้แล้วหนูจะเป็นเจ้าของกิจการหนูจะรับยัง มันขาดคุณยับเยินมาเนี่ยขาดคุณซ้ําซ้อนมีหนี้สินในธนาคารติดหนี้ติดสินจะล้มละลายขึ้นมาหนูทําไหมเนี่ยทำไม่เป็นเลยเนี่ยเครียดตายเลยนี่เครียดตายเลยหนูอ่อนแอเกันปัปหนูต้องแข็หนูต้องบอกนี่คือบทฝุ่บททดสอบวันหนึ่งหนูจะเป็ น, เ, ปนเจ้าของหนูต้องไปเป็นเจ้าของแบบชนิดที่ว่า หนูต้องมาปัญหามาด้านไหนก็รับได้หมดมนูช้าสึกหนูเข้าสู่สนามรบเนี่ยมันไม่เรบสะทานหวั่นไหวแต่หนูไม่ใช่ช้างสึกเป็นช้าไม่ได้ฝุ่เจอปัญหาก็าหน่อยแค่นั้นแหละหนูน้ำตาแตกแล้วร่วมจใจหดหู่ท้อใไม่อยากทาบ่นเพ้อแล้วลำพันแล้ว หนูต้องบอกเออดีไอเจออย่างนี้แหละสักวันหนึงเราไปเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราจะเราจะต้องอยู่ในท่ามกลางของปัญหาโดยไม่หวัห่นไหวไม่สโตนสะท้า น, ย น, น อ, าอย่างนีหนูต้องตั้งหลังได้ขนานี้ถ้าปัญหามันมาทุกทิศเลยบุบบุบบุุบ บ, บุบเสร็จหมนูสามารถจะปิดแล้วก็เลือกเฉพาะทิศทางนั้นก็วิจัยแยกแยะทยํายังไงให้บาดเจ็บน้อยที่สุดและปลอดภัยที่สุดหรือถ้าไม่บาดเจ็บได้ยิ่งดี โดยเฉพาะทำดจจำท้านใจใจต้องมีความเจ็บถ้าทำได้อย่างงี้หนูก็โอเคเพร้อมดีเป็นเจ้าของหน้าใช่ไหมไอ้หนูต้องฝึกไอ้ตรงนี้เวลาฝึกที่ดีที่สุดก็คือต้องอยู่กับคนแบบนี้ต้องอยู่กับคนที่เขาเขาเปลี่ยนต้องอยู่กับคนที่เขาให้บททดสอบเราอย่างนี้ที่อะไรก็แล้วแต่ต้องเห็นเขาทะเลาะกันขัดแย้งกันตากัน ให้ไลฟ์กันหนูต้องอยู่แบบนี้แหละสุดยอดแล้วฮะ <c oughs> สุดยอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เคยเจอไอ้นี้ไงดีถ้าหนูอยากจะยิ่งใหญ่จะเป็นเจ้าอของใช่มั้ยล่ะโปรแกรมเลยหมอสุดดีเลยใส่ห้องหมอห้องนึง ทำต้ น, นการแย่ๆเลยๆมันดูแต่งทำมที่รเงี้ยนนหนูก็เลยบอกว่าเราทนไม่ได้สภาพแบบนี้เราไม่เคยเห็นคุยกันไม่ดีเราอยากจะออกจากที่ตรงนี้แล้วทําไมอยากเราก็ไปตั้งทำไมทําไมทําก็มันหนูก็เพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอะไรก็ที่แทนที่หนูจะใช้ปัญญาไปวิจัยว่าทําไมไอ้เจ้านี้ถึงพูดหยามต่อการมันมาจากอะไร โอ้โหมันได้ได้เรียนรู้เยอะเลยหนูถูกกระทําแต่ลอดทําไมหนูไม่เป็นผู้กระทํามันบ้างเล่าก็ใช้ปัญญาไปกระทําไปวิจัยแยกแยะมันสิทาไมหนูเป็นหนูเล่นจะรับกับถอยร่นเนี่ยหนูก็บุกฝ่าสิใช้อะไรอใช้ปัญญาอย่างชั้นเห็นหนูปุ๊บเอ๊ะทำไมหนูอ่อนแอฉันรู้ทันทีว่าหนูอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนหนูอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หนูอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ อันไหนที่ไม่สมอยากไม่สมใจหนูอยากหนูนก็หนีหนูนก็เอาในสิ่งที่ห น, นูอยากหนูนต้องการฉันก็รู้ทันทีว่าอย่างนี้ยฉันก็รู้อ๋อนี่เปล่าบางเปล่าบางมากไม่อยู่กับโลกความเป็นจริงอยู่กัโลกความเพ้อฝันจินตนานการเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ไงที่หนูประจักษ์อยู่เห็นอยู่ความจริงก็ไอ้เจ้านี้ยมาส่งน้ําแข็งแล้วกลับเนี่ยนี่ก็ความจริงไงอ๋อเข้าใจไปแล้วแล้วมันมายัางไงหนูก็วิจัยมันโน้ ทำไมมีทัศนคติแบบนี้ทำไมมีสภาพจิตใจแบบนี้ทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมมีมีการกระทําแบบนี้มาอย่างไงสิ่งแวดล้อมอย่างไงอ๋ออเข้าใจมันแล้วก็เข้าใจไปเสร็จพวกก็เก็บเป็นเป็นข้อมูลความรูใญญ้ให้ปัญญาไปสอบสวนให้ปัญญาไปสอบสวนทุกเรื่องหนูก็เอาสติดึงมาแล้วก็ปัญญาสอบสวนวิจัยเชิญสาวหาเหตุหาหหผลมันได้ปิดดึงซักดึงชักได้ ดึงเรื่องอื่นมาอีกนำมาตรวสอบสวนวิจัยแยกแยะปิดลิ้งชัาเข้าใจมันต่อได้คำตอบมันทุกอย่างหนูต้องได้คําตอบมันด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าชอบใจไม่ชอบใจเสียอกเสียใจแย่เหลือเกินออกไม่ได้หนูก็ติดตันมันอยู่สิก็ใช้ปัญญาตรวจสอบสวนวิจัยแยกแยะจนเห็นเห็นมันทุกเรื่องเกิเสร็จพวกถ้ามันยังไม่หมดก็เก็บไว้ก่อนค้างไว้ก่อนจะดูต่อมีเวลาวิจัยต่อเนี่ยหนูก็ยิ่งได้โอ้โหแยกแยะ อ่านคนไม่ให้ขาดเลยเนี่ยมองมันก็รู้แล้วมันจะแปลยังไงใช่ไหมถ้ามองอย่างเงี้ยฉันก็รู้อย่างเดี๋ยวหนูก็ทิ้งกันไอเจ้านี้อยู่ไม่ได้หรอก็พะนอเอาเอาติไม่กล้าตัดสินใจฉันจะอยู่คนนี้ได้ทางไงนี่เกณฑ์หนูก็ตัดสินใจไปแล้วตั้งหลายรอบแล้วที่หนูคิดแบบเนี้ย เรื่องอะไรวะทีอยู่กับคนอย่างนี้ชีวิตปูต้องมทิม้ก ง, งกับคนนี้หนูก็คิดูไปเรื่อยๆน่ะนที่ชงที่แต่งเขามาอาคารอนเนี เ, เขก็ไม่พูดกับหนู่ที่หนูเป็นผู้สาเหตุคือมันเป็นจากที่พ่อแม่ขาพูดอะไรซึ่งหนูไม่รู้ตัว ว, ว, ตว่าใชชีตัดปากกันหล่ามาไม่พูดซึ่งูสาเหตุนก็ตัดิใจว่าแต่ในเดือนเดียวก็เลคือถามด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่บอกว่า คือเราม่รู้ว่าคือเขาอกว่าไม่คนกลาง ร, ระหว่างแม่กับหนูตึ้อหลูยังไม่รู้ตัวแล่ ว, ว่าเป็นคนกลางเรื่องอะไรซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือพ่อแม่ก็จะไม่ถูกใจตรงไหนเพีแต่เขาบอกว่าเราต้องเอาใจพ่อแม่เขานะอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะในวันที่หนูตื่นใจว่าถ้าปัญหาไม่ถูกเรียนว่าจะเลยนออ้องทั้าแล้วนะค<ะ>่ะคือไม่รู้เขาไม่ถูกใจหรือไม่พอใจอะไรอะไหนเล ย, ย, ยค่ะ วันที่แม่เสียแม่เขาก็บังคับหนูไม้ได้นอนมาเดือนครึ่งเพราะว่าคือหนูดูแลแม่มาตลอด3ปีแม่เป็นผู้ป่วยนอนตินเดเตียงแล้วก็ก่อนที่แม่จะเสียหนึ่งเดือนครึ่งค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แม่ไม่ได้นอนเลยซึ่งเราก็รูร้สึกมันเป็นป้ทุ่งที่สุดแล้เพียงแต่ว่าวันเดียวที่เราจะกลับไปพักบ้านที่พี่ชายจะมาเบี่ยนก่อนบอกว่าคือขอนอนพักขอนะือวันนั้นเป็นวันที่แม่เขาบังคับให้หนูออกไปตลาดตอน G3 คือหนูตอนเาออกประกาศจะงพยาบาลนะเลยองเงี้ยคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ที่เจ็บปวดว่าคือเ้าอยในระยะที่หนึ่งมันแย่ที่สุดแล้วอะแต่ทำไมเขาไม่ไใจใจเห็นสายเราเลยตอนนั้นเองเขาไปดูแม่ที่หนูลงพยาบาลเขาอบอกว่าแบบเออเป็นแบบเนี้ยลูกหลานท้ไมกินไม่ได้หรอคือคือเขาแบบลอดเนีรื่องน้มาหายดีเลอี้ย่ะ ก็เข้าใจหนูต้องออทั้งหมดเนี่ยเจ้นกนะ็ให้ปัญญานีให้ปัญญาให้หนูพัฒนาตัวปัญญาแล้วปัญญาที่หนูได้จะเป็นตัวตัดสินว่าหนูควรจะดําเนินชีวิตยังไงเข้ญญาใจใช่ไหมแต่หนูสิ่งที่สําคัญที่สุดหนูต้องไม่ตัดสินใจด้วยความรู้สึกแต่ต้องให้ปัญญามันเกิดขึ้นจริงๆนะและให้ปัญญาเป็นตัวต ว, วิจัยแยกแยะและเป็นตัวนําพาชีวิตได้มาเลยหนูเชื่อปัญญานะ อย่าไปเชื่อความรู้สึกนะถ้าเชื่อความรู้สึกแล้วเนี่จะเป็นแบบเ น, นี้หนูหนูเวลานี้หนูต้องเร่งที่สุดคือพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาให้ได้แล้วให้ปัญญาเป็นตัวกํากับความคิดกํากับพฤติกรรมกํากับคําพูดให้ปัญญาเป็นตัวนําหน้าในการดําเนินชีวิตทุกเรื่องแล้วหนูจะปลอดภัยทีนี้ถ้าใช้ความรู้สึกมันจะออกมาอย่างเนี้ เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดมันเก็บไว้พอกระทุ่ออกมาทีไรมันก็จะมันก็เก็บพรวงมาอย่านี้เข้าใจะยังไงเออตรงเนี้ตรงนี้เรื่องเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการศาสตรสารด้วยปัญญานเนี่ยมันยัมีอีกเยอะ น, นะมันยังมีเยอะนะตรงเนี้ยหนูต้องหนูต้องดึงขึ้นมาแล้วให้ปัญญาสอบสวนวิจัยอย่างเนี้ย ต้องต้องไม่ใช่ออกมาแบบโทนเดียวแบบนี้พอคิดทีไรเนี่ยมันจะพลูออกมาเลยไปผู้ชายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจไหมันูเป็นคนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองนะที่อย่งนนะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยคือเปนคี้อง เ, เปลี่ย น, <laughs> นยกกแล้วก็นคนต้องทํไรเก่า้องำอย่างนี้ทำอยู่องนี้ ม, มกระธุรกิจที่เราเลาเราเราพยาม ไ, ไปข้างหน้าทุกคนจะต้องแบบ ออกความเห็นไใ้สินค้าทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวเนี้ยมันมันไปในทางขาลงแล้วหนูก็เลยปล่อยให้เขาทำาไปเลยแต่ใครอยากจะออกแบบสินค้ามันเป็นโจทตอนเนี้ยเรื่อเครื่อง ก, กินมันเป็นขาลงเลยเพราะว่า <towards S 2> <ๆ>สินค้ามันเกิดความเสียหายจากที่ที่เขาอยากจะให้เป็นกันหนูก็ก็ปล่อยให้เขาทํำในคำคือวันไปิดอ่านหนูก็ยังทําเหมือนเะดิมนะเขาอยากออกความเห็นทุกคนอยากออกความเห็นหมดเลยอย่างเงี้ย ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันโดยที่โดยที่ไม่ได้รู้ว่าฟังจคาบอกเล่าของคนอื่นว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดีอ่ซึ่งสินค้าที่มันออกมามันมันดีตั้งแต่แรกไปแล้วตอนนี้ธุรกิจมันก็เลยกลายเป็นเป็นขาลงพอใจฉันมองออก แล้วหนูพอใจกับมันไม่ทีคมเป็นคั้งไม่ใช่ผมจะไปกัยังไงก็วตอนนี้ก็แต่นี้ครา้ที่พี่มาเนี่ยค่ที่ครั้งนี้แลมาผมค่ะสล้ก็กลับไปฟังเพศงแล้วก็พยายามปรับไปทีละอย่างคือมันอาจจะยังมีทะเลาะกันในหัวถุ่เช้านี่ตื่นล้ว่าเราจะยึดตามแนวทางของเราที่เรามีเป้าหมายของเราหรือว่ คือว่าเราต้องวนๆต้องเปลี<ด>่ยนเปลี่ยนตัวเองอะไรที่หนูจะอยู่ในสภาวะที่มันทับแคนใจให้ได้ไ น, นีคะเพื่อที่ถ้าถเราอยู่ตนี้ได้อะเราก็จะได้ขัดเกลืในส่วนที่ที่เรายังขัดสนของพ่อไปเลนะคะประเด็นมันอยู่อย่างนี้อย่างที่ฉันพูดเมื่อสักครู่นี่ว่าหนูต้องวางต้องคำนวณชีวิตตัวเองว่าชีวิตตันแต่งมาสามปีแล้ว แต่หนูสามีแล้วนะก็หนูรักที่จะทำอาชีพแบบนี้มนะั้ยแล้วมันโอเคกับมัน ไ, ไหน้นูเคยไปวิจัยแยกแยกได้ไมั้ยสิ่งที่ฉันไม่อยากลงไปในรายละเอียดคือไม่อยู่ในฐานนะคำว่าไม่อยู่ในฐานนะคือฉันฉันอ่าน อ่านข่ามหมดเลยเรื่องเรื่องอเรื่องพวกนี้ฉันอ่านอ่านมันข่ามหมดหละแต่ฉันไม่อยากจะลงรายละเอียดถ้าลงรายละเอียดไปมันเป็นการบอกทางเลยเอะถ้าไปบอกทางไปเลยเนียมันเสียหายตรงที่ว่ามันไปเจอคนที่ทําแบบทื่อๆไปนเนี้ยมันก็กลายเป็นพระเป็นคนขีดเส้นสถานาการมันเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆเวลา ต้องบอกว่าสิ่งที่นั่นที่คือหมูพัฒนาจะองค์ความรู้เนี่ยรู้จะทําอะไรหมูต้องรู้ทุกๆด้านรู้ทั้งหมดรู้ตัวปัญหารู้เหตุของมันรู้จุดหมายที่วางไว้รู้วิธีการดาเนินเนาะจากการนาริยศาสตร์จับให้ชัดอันนี้เหมือนกันกรณีนี้ปัญหามันคืออะไรมีจับประเด็นที่นถูกแต่ปัญหาที่แท้จริงแล้วอะไรเหตุของปัญหามันอยู่ตรงไหนเขไม่ได้แก้ที่ตัวปัญหาใช่ไหม จริงๆแล้วก็คือแก้ที่เหตุแต่แม้ตัวปัญหาหรือเหตุของปัญหาหรือจุดหมายเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เพียงให้รู้มันเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเนะี่ยวิธีการเนะี่ยมันมาทําข้อเดียวคือข้อมาทางดําเนินวิธีการข้อปฏิบัติมันทําข้อเดียวมันมันสมดุลทั้งหมดยกตัวอย่างนะปัญหาคือปัญหาก็คือว่า อยู่กับครอบครัวแบบนี้ที่เขาทะเลาะบาะแว้งกันว่ากันไม่ค่อยดีอะไรต่อ น, นั้น<ม>เียดมันมาจากเขาโมงมีทัศนคติต่ อ, อกันไม่ดีมีวิธีคิดต่ อ, อกันไม่ดีมีมองเห็นแต่โทษไม่ดีต่ อ, อการแล้กันไม่ได้มองเห็นจุ ด, จดเด่นเห็นแตจุดด้อยต่อกันแล้วกันเหตุมาอย่างนี้จุดหมายคือว่าเราจะดับนะ กับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเราเข้าไปรับรู้ด้วยปัญญาปุ๊บเราไปเห็นทั้งตัวปัญหาเหตุของปัญหาดย เ, เสร็จปุ๊บอ๋อวิธีการอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรวะเราทีงจะไปเอาปัญหาของเขาที่อยู่นอกตัวมาใส่ไว้ในใจเราเราเราเราไม่ฉลาดนี่ปัญหาของเขาก็อยู่ที่เขาความทุกข์ของเขาก็อยู่ที่เขาเขาสร้างปัญหาขเขาก็ต้องรับของเขาเราไม่เกี่ยวเอาแล้วเจอเนี้ย ระวังท่าทีทางใจใหม่แล้วก็คุณเป็นคนทำผิดคุณก็ต้องรับผิดไปคุณทำถูกก็ต้องรับถูกไปสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตัวเองอยู่แล้วแล้วเราไปไปเครียดอะไรกับเขาไปเครียดอะไรกับสิ่งที่เขาทำไห้ถูกไปเอาปัญหาที่เขาทำไม้ถูกมาใส่ไว้ในใจเราทำไมทีนี้แปลว่าเราเราไปทับถมตัวเองนี่จริงๆเราไม่ได้ เราไปแบดทุกของเขาไปดูดทุกของเขาไปซับทุกข้องเขามาไว้ในใจเรานี่แล้วในกรอบของเราเราทำอะไรอยู่เรามีจุดหมายอะไรเราจะดาเนินไปสู่จุดหมายอย่างไรถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะไปนั่นก็เอาและเราปฏิบัติยังไงที่เราจะอยู่ในท่ามกลางของของสิ่งแวดล้อมแบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่เป็นปัญหาเป็นปีนหม่เนี่ยที่ในสายตาทัศนคติที่หนูมอง อันดับแรกก็คือจะไม่ดูดทุกข์ของคนอื่นปัญหาขคนอื่นไว้ในใจเราช่วยราง ป, ปัญหาคุณต้องรับถ้ามาพูดมาเปเสร็จแล้วก็บอกเขาปัญหานั้นคุณทําครับไม่เยี่ยมครับทุกวันนี้คือพอติพอเขาทำองศิลธรรมมีปัญหาอยู่กับมากแก้ที่ปัญหาเร า, าก็ากลับมาในในแก้ถ้าเราจะแก้ก็ต้องไม่ทุกข์ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็น <c oughs> ไม่ต้องไปแก้ <c oughs> เบื่อกับการที่เราสร้างปัญหาขึ้นมาจะเอายังงี้ก็ ตรงตนี้ไงที่จริงๆหนูไม่ควรไปเบื่อเหตุผลถ้าหนูมีปัญญาจัดการกมันก็จัดการถ้าไม่มีปัญญาจัดการหนูก็วางมันหนูไม่เห็นจะมีความจำเป็นอะไรต้องแบกมันมาเลยหนูไม่แบกมาทำไมแล้วไปเร า, าไเราไม่ต้องไปแล้วพี่ตู่ได้พเดอีกว่าเรา เราทำได้เลยเนะียค่ะเราเราเราไปรับแล้วเราก็ต้องไม่ทุกข์กับมันสิถ้ารู้ว่ามันทำทำไปทุกไปเลยไปทำทำไมถ้าบอกว่ถ้าเราจะรับตรงนั้นก็แปลว่าเรามีความสุขกับการที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมเห็นปัญหาเราต้องมีความสุขที่ใจต้องมีสุขสิหนูไปแก้ปัญหาเพื่ออะไรเพื่อได้รับคำชมหนึหรือเพื่ออะไร คือได้เขายอมรับหนูเหมือนจะมาจากที่นี่แต่ต่างกับเขาใจแล้วหนูต้องการอะไรกับการยอมรับถ้าทําไปหนูไม่ได้รับการยอมรับหนูก็ทุกสิทุกวันเนี้ยเพราะเขาไม่ยอมรับหนูเี่ยเข้าใจไหมล่ะหนูตั้งหลังใหม่ถ้าจะทําเนี่ยก็เห็นว่าเป็นปัญหาจริงๆที่เราจะทำเมื่อเสร็จก็ต้องการแก้ปัญหาแล้วเราไม่สน เราไม่ต้องกังวลตรงนี้นหนึ่งใจหนูมีความสุขได้ความสุขได้ความเข้มแข็งได้ความฉลาดขึ้นมาในส่วนคนอื่นชมผลคอยได้แต่จุดหมายหลักยิงทําให้เราได้แก้ปัญหาเราได้มีทักษะในการที่แก้ปัญหาถ้าหนูตั้งหลักอย่างเนี้ยมันเป็นความดีในตัวของมนันเองเลยนะเนี่ยทําไมหนูไม่ไ ม, ไม่ไม่พุ่งไปไปประเด็นตรงนี้ล่ะ ไอ้ตรงนี้ที่ฉันพยายามบอกคือว่าหนูพยายามพัฒนาตัวปัญญาใ ห, ห้ถ้าปัญญาบอกให้หนูทำอย่างไรหนูทำเลยจะให้เดินออกหนูก็เดินจะให้ทำอะไรก็ทำถ้าปัญญามเกิด น, นะแต่อย่าทำด้วยความรู้สึกก็อลองคิดอะไรออกมันเป็นปัญญาหรือไม่ก็บศาาึกษาถามท่านได้อยู่แต่การนั้นของพี่ อ้นี้ยใช่ปัญญาไร่มคนมีความว่าไเนียที่ถามันเองนพวกนี้่าปคิดไม่ออกว่าถามได้สนใจยัง่ิยมุ่งเราออนไลน์เราก็ย่าตั้งใอด้วยด่อนก็แบบไม่ไม่อยากเปคิดอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างี้ าการได้ปรึกษาแต่ละี่เป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ได้มองเรื่องการบรบกวนแต่ก็มองด้วยการว่าเราจะทํายังไงให้ไแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดและดีที่สุดถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดเขาไม่เรียกบรบกวนเขาก็เรียกว่าเออเมื่อมันถึงทางต่างเนี่ยมันไปไม่ได้ถ้าใครที่รู้ทางเร็ว ล, ล่าสุดเนี่ยเราควรปรึกษาทันที เขาอยาใช้คำว่าความเก่ง้องว่ามันเป็นโอกาสของเราแต่เราไม่รู้จักใครเลยนันอีกอย่างก็จะชัดเจนไหม